สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมนักธุรกรคชนชอบเล่าจะขอหยิบยกเรื่องราวจากคุณอาร์ตยามาฮ่าท่านสมาชิกของเรานะครับเป็นประสบการณ์ของคุณอาร์ตที่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับคําว่าเสือสมิงเรื่องราวของคุณอาร์ตจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับคุณอาร์ตเล่าว่าสวัสดีครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้มันเกิดขึ้นกับผมณที่บ้านนี้ก็คือที่อยู่ในปัจจุบันของผมติดชายป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เรื่องนี้มันผ่านมา30ปีแล้วครับตอนนั้นผมอายุเพียง7ขวบแต่ก็ยังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ดีย้อนมันเวลากลับไปสมัยนั้นคุณตาของผมเป็นทหารและตาผมนี่เองที่เป็นคนเข้ามาบุกเบิกตั้งรกรากที่นี่พื้นที่ตั้งของบ้านผมก็จะเป็นเนินสูงสงูหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านเหมือนดอยนั่นแหละสมัยนั้นต้องขอบอกว่าป่ายังหนาแน่นมากแล้วก็ยังมีสะพานข้ามคลองมาบ้านผมสะพานก็เป็นสะพานไม้ที่ทําแบบลูกลูก ประมาณว่าที่มีรถจนข้ามมาทีก็มีโอกาสจะตกครองได้ง่ายๆสมัยก่อนตรงจุดที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คือที่อยู่ในปัจจุบันของผมก็จะมีบ้านตาของผมอยู่หลังเดียวบรรยากาศก็จะเป็นแบบบ้านป่าเพราะว่าเป็นบ้านที่ติดกับชายป่าเรียกว่าติดมากๆและป่าก็รกชัดมากเดิมทีแล้วตัวผมสมัยนั้นเป็นเด็กในเมืองนะครับก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามาอยู่ถาวรที่นี่เมื่ออายุ14ปีตอนอายุ7ขวบเวลาช่วงวันหยุดหรือว่าปิดเทอม ผมก็จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่บ้านของท่านโดยที่คุณพ่อคุณแม่พามานั่นแหละครับผมยังจําได้ว่าตัวผมนั้นชอบบรรยากาศของบ้านตาบ้านยายมากเพราะว่าได้ความที่บ้านนั้นติดป่าบางครั้งก็ยังเคยเห็นหมูป่าโผล่มาให้เห็นที่หลังบ้านและมันก็เคยมีเรื่องกับหมาที่บ้านผมจนถึงขนาดว่าไล่ขวิดกันเลยทีเดียววันดีคืนดีก็เห็นเจนุกอินรีย์บินโชว์ไปเลี้ยงไปต่อหน้าต่อตาเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติสําหรับบ้านที่อยู่ริมป่า มันมักจะมีเรื่องหรือภาพอะไรที่คนในเมืองไม่มีโอกาสจะได้เห็นเพียงแค่เดินไปที่หลังบ้านมันก็เข้าแนวป่าแล้วและหากจะพูดถึงป่าที่หลังบ้านสมัยนั้นมันจะเป็นป่าเบญจพรรณพื้นที่ป่าจะมีน้าไหลมาจากห้วยอุดมสมบูรณ์มากก็อย่างที่บอกครับว่ามีบ้านตาผมอยู่หลังเดียวที่บริเวณ น, นั้นลักษณะของบ้านตาก็คือจะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงและด้วยความที่คุณตาเคยเป็นทหาร ในการสร้างบ้านของคุณตานั้นคุณตาก็ได้ทำห้องใต้ดินไว้หนึ่งห้องตามสไตล์ของทหารซึ่งอาจจะชินกับพวกหลุมรบภัยบ้านคุณตาจะทำด้วยไม้เกือบทั้งหลังมีเสาเรือนและห้องใต้ดินที่ใช้อิฐก่อขึ้นมาห้องใต้ดินนั้นคุณตาจะขุดลึกลงไปจากพื้นะระดับต่ำกว่าได้ทุนบ้านแต่ถ้าหากว่าคือเย็ก็จะเห็นได้ถุนบ้านประตูทางเข้าก็จะอยู่บนพื้นแล้วก็มีบันไดปีนลงไป และก็เนื่องจากที่บ้านนั้นตั้งอยู่ในป่านในดอยปปเปลือบรียวจึงจำเป็นต้องเี้สุนัขไว้เพื่อเตือนภัยและก็คอยเฝ้าบ้านแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเหตุการณ์ของเจ้าเสือสมิงนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่เด็ก7ขวบอย่างผมปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อนคุณแม่จึงส่งผมให้ไปอยู่กับคุณตาเพราะช่วงนั้นคุณพ่อต้องไปสอบราชการที่กรุงเทพถ้าน่าจะแบกพาพวกผมไปด้วยมันก็ไม่ใช่ย่อยความบุญละหมาดมันก็คงจะเกิดขึ้น ก็เลยให้คุณแม่และน้องสาววัยห้าขวบของผมติดตามไปด้วยแต่ตัวผมนั้นต้องไปอยู่ที่บ้านตาซึ่งตัวผมเองก็ชอบเพราะว่ามันสนุกมันได้เข้าป่าคุณตามักจะพาเดินเข้าไปเที่ยวในป่าแต่ก่อนเข้านั้นท่านก็จะคอยกำชับผมอยู่หลายเรื่องเช่นสิ่งที่ห้ามไม่ให้ทําในป่าใครเรียกก็จะขานรับและก็ห้ามพูดมากในป่าด้วยช่วงเวลานั้นผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณตาระยะเวลาก็นานเป็นเดือนเพราะว่าปิดเทอมผมก็สนุกใหญ่เลยได้ทํากิจกรรมที่คุณตาสอน ทั้งยิงหนึ่งสติ๊กยิงหน้าไม้และอีกมากมายก็มีความสุขเรื่อยไปตามประษาเด็กจนกระทั่งมันถึงคืนหนึ่งคือคือนที่เกิดเหตุผมยังจําได้คืนนั้นกลางดึกสงัดผมได้ยินเสียงหมาเห่าจากหลังบ้านที่ติดชายป่าและตามมาด้วยเสียงทุรนทุรายเหมือนแกะโดนอะไรทําร้ายแล้วก็เงียบไปผมก็เลยไม่สนใจแล้วก็นอนต่อพอตื่นเช้ามาคุณยายก็ไม่ให้ออกจากบ้านผมก็สงสัยง ง, งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณตาเดินขึ้นมาในบ้านพอดี สีหน้าคุณตาดูเครียดคุณตาก็บอกกับผมว่าเจ้าคุกกี้โดนเสือฆ่าไปกินแล้วผมตกใจเลยตอนนั้นก็ร้องไห้เพราะว่าสงสารหมา อ, อ๋อผมลืมบอกไปครับว่าผมมีหมายอยู่2ตัวชื่อเจ้าคุกกี้กับลักกี้ผมร้องไห้คุณตาก็จึงผมบอกมาดูตรงจอมปลูกใหญ่มันมีรอยเท้าเสือผมจำได้ว่ารอยมันใหญ่มากแล้วก็เห็นกองเลือดเลี่ยราตลอดแนวลากลงไปในข้วยคุณตาเห็นท่าไม่ดีจึงปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปโทรศัพท์หยอดเหรียญ ซึ่งก็คือโทรศัพท์สาธารณะนั่นเองเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มารับผมกลับไปแต่ก็ได้ข่าวจากคุณย่าของผมที่อยู่ในเมืองว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมยังไม่กลับมาจากการสอบราชการที่กรุงเทพจึงทําให้ผมไม่สามารถจะกลับไปที่บ้านในตัวเมืองได้คุณตาผมจึงได้พาผมกลับเข้าไปที่บ้านของท่านแล้วก็สั่งกําชับคุณยายว่าไม่ให้ผมออกไปเล่นนอกบ้านเด็ดขาดยังไงก็ขอแต่ให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นคุณตาได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากนั้นคุณตาก็พาชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวริมถนนใหญ่ที่สนิทสนมกันตามรอยเลือดหมาเข้าไปห่างจากบ้านตาผมไปไม่ไกลมากนักคุณตาเล่า ว, ว่ามันเอาหมาลงไปกัดกินเหลือแต่โครงกระดูกเนื่องจากเป็นหมาพันธุไทยตัวไม่ใหญ่มากนักมันก็เลยกินซะแทบจะไม่เหลือซากคุณตาก็เลยรีบเ อ, อกเจ็ป่ากับเพื่อนของแกที่เข้าไป3คนวันนั้นบรรยากาศณเวลานั้นมันเป็นอะไรที่อึดอัดมากสําหรับเด็ก7จ็ขวบที่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านถ้าจะพูดกันตรงตรง เด็กจริงผมไม่สนใจอะไรหรอกครับว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพราะสิ่งที่ผมต้องการก็คือแค่เล่นสนุกไปวันๆเท่านั้นคุณตาก็เลยขู่ผมว่าถ้าผมออกไปเล่นนอกบ้านผมก็จะโดนเสือไม่เข้ามาขบกัดเอาเหมือนหมาที่เสียท่าแกมันเพราะฉะนั้นห้ามออกไปเล่นนอกบ้านเด็ดขาดและในพรบข้ามวันนั้นเองคุณยายพาผมไปอาบน้ําห้องน้ําก็จะเป็นไม้ต่อๆกันไม้ที่ผูกก็จะมีรู อาเป็นว่าถ้าหากว่ามีใครส่องจากภายนอกเพื่อจะท่ามองหรือแอบมองใครอาบน้ำเนี่ยละก็ได้เห็นหมดเปลือกแน่ๆในขณะที่คุณยายกําลังอาบน้ําให้ผมนั่นเองและแล้วสายตาของผมก็เหลือไปเห็นดวงตาใดสักอย่างกําลังส่องเข้ามาในห้องน้ําเท่าที่เห็นมันไม่ใช่ตาของคนอย่างเราผมก็เลยบอกยายว่ามีใครไม่รู้แอบดูเราอยู่เท่านั้นแหละยายรีบจับผมขึ้นไปบนบ้านทันทีโดยที่ไม่พูดอะไรพอคุณยายพาผมขึ้นไปบนบ้าน ผมก็ได้ยินเสียงของหมายตัวมันกนลังครางเงียงอยู่ใต้ถุนบ้านเวลานั้นเป็นเวลาประมาณเพียงสองทุ่มเศษณบ้านชายปา่าผมได้กลิ่นแปลกฉุนอับเหม็นประหลาดตุด่ยชอบกลมันลอยมาเตะ จ, จมูกซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรเพิ่งจะมารู้ตอนโต น, นี่แหละว่ามันคือกลิ่นสาบเสือคุณตาผมเองก็รับรู้ได้ถึงสัญญาณที่ผิดปกติ เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ประตูบ้านซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นประตูใหญ่สองบานซ้ายขวามีการสั่นสะเทือนจากด้านนอกเสียงถูสีข้างลากยาวทําให้คุณตาผมรับรู้ว่าไอ้ลายมันประชิดอยู่ข้างนอกแค่มีประตูกั้นไว้เท่านั้นถ้ามันจะพังเข้ามาก็ได้จะแค่ทีเดียวคงพังเข้ามาได้ไม่ยากคุณตาก็เรียกผมกับคุณยายให้มาที่มุมบ้านแล้วก็เปิดประตูห้องใต้ดินที่มีลักษณะคล้ายหลุมหลบภัยของทหารซึ่งจะเปิดจากพื้นเป็นบานพับ ทุกคนก็ค่อยๆตายลงบันไดไปยังห้องใต้ดินซึ่งจะเห็นได้ถุนบ้านชัดเจนและผมก็เห็นเจ้าลักกี้หมาของผมอีกตัวกํานังนอนหมอบนิ่งครางงิงๆอยู่ตรงมุมใต้ถุนบ้านอาจจะเป็นเพราะตะบากของเสือที่อยู่นอกบ้านหมาที่ค่อนข้างจะหวงบ้านดุ ด, ดันอย่างเจ้าลักกี้ถึงขั้นสติแตกไม่ออกฤทธออกเดชเหมือนอย่างที่เป็นกลางไล่ฟัดคนแปลกหน้าที่เข้ามาเสียดสลายที่บ้านจะเรียกง่ายๆก็คือถึงขั้นไม่หมดน้ำยาเลยทีเดียวคุณตาบอกผมว่า ไม่ไปเห็นอะไรห้ามร้องห้ามพูดอะไรใครเรียกก็ห้ามทักเด็ดขาดและทัในใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักโดดลงมาที่พื้นดังตุบวันนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญผมเจ็ดขวบและก็จําความได้สิ่งที่ปรากฏและทําให้ผมจําติดตาก็คือขาทั้ง4ของไอ้ลายจากมุมเตีถุนบ้านนี่ขนาดยังไม่เห็นตัวเห็นแค่ขาแต่บะที่แรงของมันทําให้ผมเก็บความกลัวไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาทัในใดนั้นมันก็หันขวับจ้องเข้ามาเตี๋ยถุนบ้าน ทำให้ตาของผมนั้นเห็นหน้ามันจังๆคราวนี้ผมยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยไอเสือร้ายคำรามลั่นพยายามจะตะกายเข้ามาใต้ถุนบ้านแต่โชคดีระยะของใต้ถุนบ้านมันแคบเกินไปที่มันจะเข้ามาได้ไอลักกี้มาซ่าก็ถึงขั้นเสียหมาเพราะมันนอนหมอบซิโรราไม่ขยับพยื่นนี่ถ้าหากใต้ถุนบ้านสูงกว่านี้คงเสร็จไอลายแน่นอนถือว่าเป็นเคราะห์ดีของมันต่างจากเจ้าคุกกี้ที่กลายเป็นอาหารของมันแล้วมันก็ตะกายขึ้นไปบนบ้านได้ยินเสียงกระแทกประตูดังปัง จากนั้นก็ได้ยินเสียงไม้ด้านบนเหนือหัวเหมือนมีการแผละกระโจนคุณตาผ ม, มรีบเอามือปิดปากผมไว้ไม่ให้ร้องพยายามไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกไปตอนนั้นผมยอมรับว่ากลัวมากๆคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากแต่จะกลับบ้านในเมืองให้ได้ผมร้องไห้จนเผลอหลับไปแบบขึงหลับรึงตื่นเพราะความกลัวมากประมาณตีสองได้ผมก็ได้ยินเสียงพ่อผมมาเรียกอยู่นอกบ้านความรู้สึกตอนนั้นดีใจมากกำลังจะขาน ร, รับ แต่ตาเมืนจะรู้ใจเอามือมาปิดปากผมซะก่อนผมทั้งสับสนแล้วก็กลัวกลัวว่าเสือจะมาทําร้ายพ่อที่อยู่ข้างนอกกระสับกระสายอึดอัดระเวนกระวายคุณตาก็เลยกระซิบที่ข้างหูผมว่านั่นไม่ใช่พ่อมันเป็นสมิงสมัยนั้นผมเองยังไม่เข้าใจว่าสมิงมันคืออะไรแต่ก็ต้องฟังคุณตาแล้วก็ข่มตาหลับต่อผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนเช้าพระคุณยายปลุกแล้วก็พาผมขึ้นจากคอกใตดินที่ค่อนข้างอับผมเห็นคุณตากําลังซ่อมประตูบ้านที่มันพังเข้ามา รอนประตูที่ไม่ใหญ่มากสลักงอจากแรงที่มันพยายามพังเข้ามาพื้นไม้มีรอยตะกายเป็นรอยเล็บคุณตาชี้ให้ผมดูว่ามันเป็นเสือสมิงเพราะรอยเล็บของมันมีห้านิ้วและคุณตาก็อธิบายให้ฟังอีกว่าสมัยที่คุณตาเป็นทหารหนุ่มนั้นนอนในป่าก็เคยเจอมันมาแล้วแถวป่าเขมรความร้ายกาจของมันก็คือการใช้มารยารวมเป็นคนที่รู้จักแล้วก็รวมไปขบหัวแล้วตาก็ยิงบอกอีกว่าไอ้ลักกี้ก็เสร็จมันแล้วนะ เพราะว่ามีอรอยเลือดมันลากเขาไปกินผมรู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินแต่ก็ทําอะไรไม่ได้และบ่ายวันนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงรถขึ้นมาที่บ้านของคุณตานั่นก็คือคุณพ่อกับคุณแม่และน้องสาวของผมมารับผมกลับบ้านในเมืองผมดีใจมากก็เลยเรียบเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อให้แม่ฟังเรื่องที่เจสุนิงมันลากหมาไปกินแล้วก็พังประตูบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็บอกผมว่าเพ้อเจอแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคงจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงคุณตาก็บอกให้ผมกลับบ้านไปกับคุณพ่อคุณแม่ ผมตอนนั้นรู้สึกเป็นห่วงคุณตาคุณยายมากคุณตาคุณจะดูออกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตาจะจัดการเรื่องนี้เองกลับบ้านไปเถอะไม่ต้องห่วงตาหรอกก็เลยเป็นอันว่าผมต้องเดินทางกลับกับคุณพ่อคุณแม่วันนั้นเลยจนประมาณอีกหนึ่งเดือนต่อมาพวกผมได้กลับไปเยี่ยมคุณตาคุณยายอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของท่านคุณตาก็ดูอย่างสบายดีผมมีโอกาสก็เลยถามท่านเรื่องเสือคุณตาก็ตอบว่าต่อไปนี้จะไม่มีเสือตัวนั้นมารบกวนพวกเราอีกแต่จนถึงทุกวันนี้คุณตาก็ไม่เคยบอกว่าเสือตััวนนน้หหายไไป เลยกลายเป็นความลับที่ทุกวันนี้คุณตาก็ไม่เคยบอกให้ผมรู้ปัจจุบันนี้คุณตาแกก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่แกก็ชรามากแล้วหลงหลงลืมลืมตามไว้นะครับปัจจุบันบ้านหลังที่เกิดเหตุถูกรื้อมาสร้างเป็นบ้านหลังใหม่บ้านของคุณตาถูกสร้างขึ้นใหม่ใหญ่โตแต่ก็ยังคงมีห้องใต้ดินไว้อยู่เหมือนเดิมผมเองก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เนื่องจากบ้านในเมืองประสบปัญหาน้ําท่วมบ่อยครั้งแม้ตอนนี้สภาพป่าจะถูกจัดเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นมาหาทำเลทำรีสอร์ทร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงและก็อย่างที่คุณตาบอกผมครับทุกวันนี้ไม่มีเสือเข้ามารบกวนอีกจากเหตุการณ์วันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมา30ปีแล้วครับครับและนี่ก็คือสมิงในความทรงจําครั้งหนึ่งของคุณอาจ์ตมมาหาที่ได้กรุณาแชร์ประสบการณ์มาให้พวกเราได้ฟังกันนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวจากคุณเก่งสุ้มเด็กชนกันบ้างนะครับคุณเก่งเล่า ว, ว่า สวัสดีครับผมเก่งสุ้มเด็กชนแรกเริ่มเดิมทีผมเกิดที่อีสานพออายุครบ12ปีก็ย้ายมปอยู่ที่ชนบุรีจากนั้นก็อยู่จนอายุครบ21ผมก็ได้แฟนเป็นคนเหนือแถวนานผมเป็นคนชอบเรื่องเข้าป่าเคยเดินแถวสนามชายเขตหนองค้อท่าตะเกีบมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ล่าสัตว์ใหญปืนที่ใช้ก็เป็นปืนแก๊ปจนมีโอกาสได้ขึ้นไปทำมาหากินที่บ้านแฟนที่เชียงกลางจังหวัดนานพ่อตาผมแกมีอาชีพซื้อหมูซื้อวัวตามดอย แล้วก็ตามอำเภอใกล้เคียงพอหน้าฝนมาก็ข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสนั่งห้างผมกับพ่อตาได้มีโอกาสขึ้นไปติดต่อซื้อวัวที่อำเภอเบอ่เบอเกลือแล้วก็จังหวะนั้นก็เป็นจังหวะเดียวที่เพื่อนกับพ่อตาได้ติดต่อมาว่ามีเสือลงมากินวัวของชาวบ้านที่นั่นนั้นเขานิยมเลี้ยงแบบปล่อยคือปล่อยไปในป่าประมาณสักระทิศหนึ่งก็จะเอาเกลือเข้าไปให้วัวครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจดูว่าจํานวนยังอยู่ครบหรือไม่ถ้าเกิดการหายไปเขาก็จะออกติดตาม เพื่อกับพ่อตาบอกว่าที่หมู่บ้านห้วยไฟมีเสือมาล้มวัวของชาวบ้านแล้ว5ตัวด้วยกันเมื่อผมกับพ่อตาขึ้นไปถึงก็มีชาวบ้านแตกตื่นมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและติดตามเสือก็มีตะลองน้องชายเพื่อนพ่อตาที่วัวของแกโดนเสือลากไปกินเมื่อเช้าก่อนที่ผมจะมาถึงกันเมื่อแกเห็นพ่อตาผมแกก็รีบเดินมากระซิบคุยกันพักใหญ่ก่อนที่จะพากันเดินจากไปผมก็ได้แต่มองตามหลังไปพอหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จพ่อตาก็หันมาบอกกับผมว่า คืนนี้เป็นนั่งห้างยิงเสือกับตลองนะพอได้ยินผมก็ตาลุกโพงเลยว่าจะปฏิเสธก็กลัวพ่อตาจะเย้ยเอาก็เลยพยักหน้าเอาใจพ่อตาพ่อตาแกก็บอกว่าเองชอบโคปาหี่วันนี้ก็โชว์ฝีมือสักหน่อยนะตั้งแต่มาก็ยังไม่เห็นยิงอะไรเลยนอกจากหนูมีปืนก็ใช้งานมันหน่อยผมมีจุดซีซีที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาขึ้นดอยมันก็ยังไม่อุ่นใจส่วนตะลองนั้นแกมีปืนแก๊ปมันยิ่งทําให้ผมกังวลใจขึ้นไปอีก กลัวไหมล่ะถ้ากลัวก็บอกพ่อนะพ่อจะได้ไปนั่งแทนพ่อตาถามมาผมนิ่งอยู่พักนึงก่อนจะตอบแกไปว่าไม่กลัวครับพ่อตาแกก็ยิ้มที่มุมปากแกนั้นเป็นพรานที่มีชื่อเสียงเก่าที่หาตัวจับได้ยากคนหนึง่งก่อนที่แกจะผันตัวมาเป็นพ่อขาวัวพอตกบ่ายก็เตรียมสิ่งของเสร็จเรียบร้อยผมกับตะลองและเพื่อนพ่อตา 3-4 คนก็เริ่มออกเดินทางโดยการเดินเลาะเขาเดินเลาะไปเลาะมาจนลา้าประมาณ 8-9 กกิโลเมตร แล้วแล้วก็มาถึงตรงที่เสือกัดวัวภาพผงซากวัวที่ผมเห็นนั้นมันสยดสยองมากขาหลังนั้นฉีกเละไม่มีชิ้นดีตารองบอกว่ามันกินอิ่มเดียวพอมันหิวมันก็ออกมาอีกแต่ว่าพ่อหนุ่มไม่กลัวนะผมจะทํายังไงได้ก็กัดฟันพูดออกไปไม่กลัวครับแล้วเราก็ช่วยกันขัดห้างมีคนนึงที่เขาทําบ่วงรอบๆอบซากวัวพอขัดห้างเสร็จตารองก็เอามือรูปต้นไม้แล้วก็ทําปากขมบขมิบกลุ่มที่มาช่วยก็เดินจากไป ผมก็ได้แต่มองตามหลังจนเดินหายเข้าไปในป่าทึบพอผมหันกลับมาตาลองก็ไม่ได้อยู่ที่โคนต้นไม้ใจผมแทบสลายแกหายไปไหนเนี่ยใจิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวระหว่างที่สับสนมีกิ่งไม้หล่นลงมาใส่หัวรีบแงนหน้ามองตามขึ้นไปภาพที่ปรากฏที่เห็นก็คือตาลองนั่งสูบบุหรี่อัดควันอยู่บนห้างโอ้ยใจค่อยชื้นขึ้นมาหน่อยว่าแล้วก็รีบปีนขึ้นห้างทันทีตอนปีนก็ยังสิวๆหหลังพอขึ้นไปถึงตาลองแกก็ถามว่าเคยนั่งห้างบ้างไหม ผมก็ตอบแกไปว่าไม่เคยแต่เคยฟังคนที่เคยนั่งเขาเล่าให้ฟังแกมองหน้าผมและแกก็ยิ้มขนุ่มเกิดปีอะไรล่ะแกถามผมก็บอกว่าปีขานครับเหมือนแกจะชอบแกก็ยิ้มและตบหลังผมเบาๆเสือจะยิงเสือล่ะทีนี้ผูดเสร็จแกก็หัวเราะฟันดําก่อนที่แกจะหยิบเมี่ยงส่งเข้าปากก่อนที่ดวงตะวันจะลับขอบฟ้ามีเสียงนกสิยงเสนียรองรับกันผมมองทอดสายตาไปยังแสงตะวันที่จะลับขอบฟ้าก่อนที่จะมืดลงไป ตดลองอปืนไปเช็คตรวจสอบแกอ ด, ดีิดปืนแล้วสะผมขนหัวลุกและแกก็บอกว่าผลัดกันนะคืนนี้นั่งก่อนเที่ยงคืนปลุกด้วยพูดแล้วแกก็หลับตาพักหนึ่งเสียงกรนก็ดังขึ้นจากคําบอกเล่าของคนที่เคยนั่งห้างเกี่ยวกับเรื่องอัฐิ์ต่างๆหรือเรื่องสยดสยอ ง, งที่ผมรับฟังมาจากปากครานแถวสนามชัยเขตมันทําให้ผมอดกลัวไม่ได้พวกครานจะย้ําเสมอว่าเวลานั่งห้างห้ามลงมาเด็ดขาดไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็นั่งไปพักใหญ่ๆ ดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลาสามทุ่มและหูผมก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักยกปืนขึ้นประทับบ่าทันทีพร้อมกับไฟฉายที่กําลังตะกดสวิตช์ก็มีมือหยิบยาบมาจับที่แขนของผมผมสะดุ้งสุดตัวปืนเกือบจะหล่นลงไปแล้วก็มีเสียงตามมาว่าเมนกาลังออกหารากไม้หัวใจผมแทบจะทะลุออกมาผมจะช็อกตายเพราะเสียงของแกนี่แหละผมกระซิบบอกแกไปตามนั้นแกก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะเบาๆในลําคอทามันเข้าก็สกิดบอกกันเนอ ผมก็บอกแกว่าเดี๋ยวปลูกแน่จากนั้นผมก็นั่งห้างฟังเสียงจักระจันเรไรไปเรื่อยเสียงของสรรพสิ่งในป่าพอสดับรับฟังมันก็จะฟังเพื้นดินเหมือนกันบางครั้งแก้เมื่อยโดยการเหยียดขาออกไปบางทีก็สำเลืองไปมองชายไวกลางคนพร้อมปืนแคปสองกระบอกวางไว้ข้างๆจนเวลาใกล้จะเที่ยงคืนก็เกิดเสียงเสียงหนึ่งดังแคปแล้วมันก็หายไปผมนั่งเงียหูฟังมาอีกก็ไม่มีเสียงรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีเหล็กอันเดียามาวางเบียดแขน ทำให้ผมมองไปยังต้นเหล็กนั้นปังเสียงปืนดังสนั่นห้างแทบพังปังแล้วนัดสองก็ตามมาผ ม, มรีบคว้าไฟฉายส่องดูสิงตะลองบอกซ้ําทีผมตกใจตอนนั้นมือสั่นมากเดีย๋ยวว่าแต่มือเลยใจก็สัน่นทําอะไรไม่ถูกตะลองแกกาลังยัดดินปืนก็เาเหล็กมาทิ่มผมผมสะดุ้งยิงแบบไม่ค่อยเล็งแล้วก็แบบว่าหมดแม็กตะลองแกก็ซั์ขึ้นอีกผมก็ยัดลูกปืนอีกกดจนหมดแม็กอีกทีนึงเมื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเงียบลงผมส่องไฟฉายลงไปสิ่งที่เห็นก็คือ ซากเสือขนาดเจ็ดซอกนิ่งนอนหมอบอยู่ข้างซากวัวป่าหญ้าตรงนั้นราบไปทั้งแถบตลองนั่งเขียวเมี่ยงและบนในลำคอนี่คือตัวที่12แล้วที่แกยิงมาตลอดชีวิตแล้วแกก็ถามผมว่าเคยยิงเสือตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมเจอคำถามแบบนี้ผมตอบแบบไม่อายเลยใหญ่ที่สุดที่ผมเคยยิงได้ก็ตัวชมดครับแกด้วยฟองก็หัวเราะกากลั่นป่าแล้วก็บอกว่ามินาหรอน่าเองสิจกพาขา นี่ทำาไมเอาเล็กทิ่มคงนั่งเออแน่ผมก็ได้แต่ยอมรับแล้วก็นั่งคุยกับแกไปจนเช้าจนประมาณ7จ็ดโมงเราก็ยังไม่ลงจากห้างกันจนกระทั่งมีเสียงเป่าปากมาจากในป่า 4-5 ครั้งตลองแกก็เป่าตอบก็มีชาย 2-3 คนเดินออกมาจากพุ่มไม้หนึ่งในนั้นมีพ่อตาผมตามมาด้วยเมื่อแกเห็นซากเสือแกก็ยิ้มและแกก็ตะโกนบอกว่ายอดฝีมือเลยสองคนเสือติดบัวห้ยิงโคตรสนุกมือเลยล่ะฮ <laughs> ู้จบก็หัวเราะกันใหญ่ ผมกับตลองก็พากระลงห้างเข้าไปสำรวจดูซากกระสุนที่ผมยิงเข้าแค่2นัดตรงหูกับขาที่เหลือกระสุนผมติดที่ซากบัว6นัดตลองยิงรักแร้และท้องสองนัดเรียกว่ายิง3มเข้า3จากนั้นทุกคนก็ชและซากบัวและแบ่งกันพ่อตาผมตบหลังผมเบาๆและบอกว่าเก่งมากลูกต้องแบบนี้เราคนทํามาหากินกันกันกบเขามีอะไรช่วยเขาได้ก็ต้องช่วยเขาเดี๋ยวจะมีอะไรให้ลูประจนภัยอีกเยอะ ครับและนี่ก็คือประสบการณ์การนั่งห้างครั้งแรกของผมผมยอมรับครับว่ามันตื่นเต้นมากจากสถานที่จริงและบรรยากาศจริงๆจิตมันพร้อมจะตะืลิดครับเป็นอันว่าคลิปนี้ก็แค่2เรื่องก่อนนะครับจากท่านสมาชิกจากคุณอาร์ตเยีมาห้าและคุณเก่งสุมเด็กชนก็หวังว่าทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องของเสือและบรรยากาศของป่าประสบการณ์ของทั้งสองท่านนี้คงจะทําให้ทุกท่านมีความสุขกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อย ส่วนตเกิลกับคุณศัก์ในร่องไพรพบกันวันที่1ิบนะครับพอดีผมพิ่งไปได้หนังสือมาครับแล้วก็ต้องขออภัยที่ช่วงนี้มีหยุดนอกรอบบ้างเนื่องจากว่ามีภารกิจด่วนครับแต่ผมจะพยายามหาเวลาชดเชยให้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ